พอนามสยามยุดว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกขลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกัรกับลาวกรุงข่าวชาวเมืองเวงจันเป็นต้นเหตุเดเิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามการจับพมินจวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชกาลที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่ ปีจออาสะตกดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธตอนที่สามกรุงเทพเคลื่อนทัพฝ่ายที่กรุงเทพมหานค ร, รเมื่อเดือนสามปีจออาสะตกนั้นพระยาชัยวิชิตผู้รักษากรุงเก่า เมื่อหนังสือบอกลงมากรุงเทพฉบับหนึ่งวางยังสาลาเวนมหาดไทยเจ้าพระยาอภัยภูทรที่สมุหนายกนำหนังสือบอกกรุงเก่าขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาใจความว่าราษฎรทั้งหลายเห็นพวกลาวเมืองเวียงจันทร์ลงมากวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองสระบุรีพาขึ้นไปเป็นอันมากเหตุผลต้นปลายประการใด ยังสืบไม่ทราบก้าวทราบกระ ม, ม่อมแต่ได้ใช้ให้กรมการขึ้นม้าเร็วไปสืบแล้วยังไม่กลับลงมาถ้าได้ความประการใดจึงจะบอกลงมากราบบังคมทูลพระกรุณาต่อขังหลังฝ่ายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบใต้ฝ่าละองสุรีพระบาทแล้วจึงทรงพระราชดำริโดยพระราชวิจารณ์ด้วยพระปรีชาัยในทันใดนั้น ทรงทราบว่าเจ้าอนุเป็นขบฏแน่จึงมีพระบรมราชโองการมารพระบรรทูลสุรสิงยนาถดำรับเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งแก่พระอินทรเทพเจ้ากรมพระตำรวจให้หาเรือเร็วรีบเร่งขึ้นไปสื่อราชการสื่กล่าวที่เมืองสระบุรีให้ได้ความมาโดยเร็วให้หลวงสุภาพมาตราคู่ถือหนังสือบอกกรุงเก่ามานั้น เป็นผู้นำพระอินทรเทพขึ้นไปเมืองสระบุรีจะได้ตำแหน่งตำบลที่ลาวสระบุรีหนีไปกับลาวเวียงจันน์นั้นทุกแห่งแล้วโปรดเก้าให้พระทิเลนทรเทพเจ้ากรมพระตำรวจบุตรเจ้าพระยานครราชสีมากับพระยาราชเสนาปรลัดบัญชีกรมมหาไทยคุมคนห0สรีบเร่งขึ้นไปสื่อราชการสื่อกล่าวที่เมืองสระบุรีแล้วให้เดินบกขึ้นไปจากเมืองสระบุรี ตลอดถึงเมืองนครราชสีมาให้ได้ความมาแล้วโปรดก้าให้พระหฤทัยเจ้ากรมพระตํารวจหลังกับหลวงเสนีพิทักษ์ในกรมมหาไทยคุมคนห้าสิบเดินบกขึ้นไปสืบราชการสึกลา่าโดยทางเมืองปราจีนบุรีและเมืองกบินบุรีให้ได้ความชัดเจนแล้วโปรดให้พระยาราชวังสรรคุมแขกอาสาจามสี่ร้อย ไปจัดแจงซ่อมแซมเรือรบเรือไล่ไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้ป้องกันรักษาพระนครครั้นลุ้งขึ้นอีกสองวันมีหนังสือบอกเมืองกระบุญบุรีให้หลวงแพ่งกรมการถือเข้ามาโดยทางบกโดยม้าเร็วฉบับหนึ่งวางยังศาลาเวณมหาไทยเจ้าพระยาอภัยภูทรที่สมุหานายกนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาใจความว่า ผลละเมืองลาวสุพรรณภูมิและเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองเขมาแต่ตืนพาครอบครัวอพยพมาอาศัยอย่างเมืองกระบุนบุรีกรมการเมืองกระบุนบุรีไต่ถามก็ได้ความว่าเจ้าอนุเวียงจันเป็นขบฏคิดประทุษร้ายต่อกรุงเทพมหาคนครเจ้าอนุยกกองทัพใหญ่ลงมาตีเมืองนครราชสีมาแตกแล้วเจ้าอนุจึงให้เจ้ารัชบุตรผู้เป็นเจ้าเมืองนครจำปาสัก ยกกองทัพมาตปเมืองชัยบุรีหนึ่งเมืองนครพนมหนึ่งเมืองมุกดาหารหนึ่งเมืองอุบลราชธานีหนึ่งเมืองยโสธรหนึ่งเมืองศรีสะเกดหนึ่งเมืองเดชปรมหนึ่งรวมเจ็ดเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่และเมืองเล็กน้อยตามลําแม่น้ําโขงนั้นหลายเมืองกองทัพเบียงจันทร์กว่าต้อนพาครอบครัวพลเมืองที่ว่ามานี้ขึ้นไปเมืองเวียงจันทร์เป็นอันมากแต่เมืองสุวรรณภูมินั้น ยังไม่เสียแก่ทักเวียงจันเพราะว่าเจ้าศรีวอเจ้าเมืองสุวรรณภูมิกับหัวเมืองขึ้นใกล้เคียงช่วยกัน ร, รักษาเมืองไว้ได้ฝ่ายพระยากบุนบุรีได้แต่งให้เท้าสุริยะเทพกับเท้าเทพวงและหลวงพลสงครามกับขุนชำนานสิงขอนเทตนายด่านพร้อมกันคุมไถ่ไทยลาวห้าสิบคนไปสืบราชการสึกลาวอีกต่อไปกลับมาได้ความว่า ซึ่งได้ทรงพระกรณาโอรดกล้าวให้เจ้าพระยานครราชสีมาขึ้นไปห้ามปรามเจ้าเมืองขูขันบรุรีวิวาสรบ ก, กันกับพระปรลัดเมืองขูขันบัด น, นี้พระยาขูขันกลับใจไปเข้าด้วยเจ้าอนุแล้วพระยาขูขันเกณนผู้คนไว้ได้มากจะยกเข้าล้อมจับเจ้าพระยานครราชสีมาส่งไปให้เจ้าอนุเวียงจัน แต่พระปรัฐเมืองขุขันเป็นคนอริกับพระยาขูขันพระปรัฐจึงได้เก็บข้อความที่ลักของพระยากูขันจะทำร้ายแก่เจ้าพระยานครราชสีมานั้นมาบอกแก่พระเทพพักดีผู้บุตรเจ้าพระยานครราชสีมารู้ตัวก่อนจึงพาพระปรัฐเมืองขุขันมุรีว่าต้อนครอบครัวเมืองขุขันที่ควรจะพาไปได้ก็พาไปมากครั้นเวลาสามยามดึกสงัดเจ้าพระญานครราชสีมา พระประัได้นำไปจุดเผาบ้านเรือนนอกเมืองขุขันธ์แล้วก็ยกกองทัพรีบหนีออกจากเมืองขุขันธ์บุรีนีไปทางใต้จะไปเมืองขเมศหรือจะมาทางช่องเสม็ดลงมาทางเมืองกระบินบุรีก็ยังไม่แจ้งแต่พระยากะบินได้สั่งให้กรมการจัดคน250หคนเวียนห0สิบเล่มโคต่างร้อยหนึ่งบรรทุกสเสบียงอาหารพร้อมให้พระพรมพักดีจางวางกองนอก กับหลวงวิชัยสงครามเป็นนายกองคุมไพร์แลเกวียนโคต่างออกไปตั้งหยุดที่ช่องสนิทและทางเชิงผาภูมิเป็นทางแยกมาแต่ช่องเรือแตกให้คอยจ่ายสวียกาหารให้เจ้าพระยานครรศีมาเผื่อจะเข้ามาทางนั้นยังเมืองกระบินแล้วแต่งให้หลวงยกกระบะ ก, กับขุนโจมจตุรงนายด่านขุมช้างยี่สิบเชือกกับไพรห้าสิบคน ไปต้อนเจ้าพระยาคนครราชสีมาจนถึงเขตแดนเกาหลีฝ่ายขมรด้วยแล้วฝ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบข้อความตามหนังสือบอกของพระยากบินดังนั้นแล้วก็ทรงพระราชาดำริว่าพระยากบินหลงใจแก่การราชการโดยละเอียดอย่างยิ่งจะหาคุนนางหัวเมืองสู้ยากจึงพระราชทานเงิน ออกไปให้ใช้ในการจัดรับส่งเจ้าพระยานัครราชสีมานั้นห้าสิบช่างเสื้อผ้าสองร้อยสำรับในวันนั้นพอหนังสือบอกเมืองนครราชสีมาซึ่งหลวงกระบินถือมาทางบกก็ถึงกรุงเทพทีหลังเมืองกระบินบุรีแดชั่วโมงวางยังสาลาเวียนมหาไทยเจ้าพระยาอภัยภูทรที่สมุหานายกนำพาหลวงบุรินและนาหนังสือบอกฉบับนี้ที่สาคัญ ขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมอานถวายได้ทราบใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วใจความว่าเจ้าอนุเวียงจันยกกองทัพใหญ่ลงมาล้อมสีเมืองนครราชสีมากวาดต้อนครอบครัวพลเมืองไปสิน้นแล้วเจ้าอนุตั้งอยู่นอกเมืองทําค่ายใหญ่โตคิดจะทําป้อมคุ้นดินทําสะพานข้ามคลองและลำทางทําทางบกทางป่าเป็นที่มั่นแรงปี และปูกยุ้งฉางถ่ายสเสบียงอาหารสะสมไว้มากมายทําการปวดขันแข็งแรงมาหลายวันครั้นภายหลังเจ้าอนุเผาบ้านเรือนยุงฉางทําลายล้างกําแพงฟ้อมหอรกเสียสิ้นหมดทั้นแต่หัวคลองที่เจ้าอนุคิดทาําสะพานข้ามนั้นก็ทําลายเผาหมดเจ้าอนุก็เผาค่ายที่อยู่เสียแล้วก็ยกล้าเลิกไปตั้งมั่นที่ตําบลอื่นข้าพระพุทธเจ้าพระยาประหลัด พระยายกะบัตพระนรงสงครามสมด้วยท่านผู้หญิงมูคิดร่วมใจกันเป็นอุบายหลอกล่อลาวให้หลงกลอุบายแล้วจึงได้คิดเป็นการจราจนลุกขึ้นรบฆ่าลาวที่คุมครัวไปนั้นตายมากแล้วก็คิดแก้ไขกลับตีพาครอบครัวคืนมาบ้านเมืองได้แล้วได้แต่งกองทัพไทยไปติดตามตีทัพลาวที่ล่าไปนั้นได้สู้รบกันเป็นสามารถลาวแตกหนีไปถึงสองตำบล ใช้พลเลาตายมากใช้เก็บได้เครื่องาสาตาวช้างม้าโกต่างเกวียนกระบือและจับได้เลาเฉลยนั้นมากเลา่าข้าศึกเสียค่ายแก่กองทัพเมืงองนครราชสีมาถึงสองตำบลหรือพลตายมากก็แตกหนีเข้าป่าไปไกลแล้วเล่าได้ตั้งค่ายใหญ่อีกหลายตำบลในป่ากองทัพนครราชสีมาเห็นเหลือกำลังจะตามตีต่อไปอีกไม่ได้ ยังได้กลับมารักษาบ้านเมืองไว้นี้เรียมการที่จะป้องกันบ้านเมืองต่อไปกลับได้แต่งให้พระคนสงคามไปสืบดูลาวจะทำประการใดเห็นลาวตั้งค่าใหญ่มั่นอยู่จะลงมาตีเมืองนครราชสีมาอีกหรือจะยกลงไปตีกรุงเทพทางเมืองนคร น, นายกเมืองกระบินบุรีเมืองปลาจีนบุรีหาทราบกล่าวทราบกระหม่อมไม่ควรไม่ควรแต่จะโปรดกล้าวขอเดชะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ทราบข่าวศึกตามหนังสือบอกทั้งสามฉบับนั้นแล้วจึงมีพระราชองการรับสั่งเจ้าพระยายมราชให้ถอดนักโทษพม่าและถวายที่จักรนออกจากคุกจะโปรดเกล้าให้ไปทัพต่อสู้กับลาวแล้วพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราเป็นรางวัลแก่พม่าและถวายโปรดเกล้าให้พระยาพิชัยบุรินทรากับพระยาเพชรปราณี เป็นแม่ทัพคุมพม่าและถวายรวมห้าร้อยคนรีบเร่งยกขึ้นไปช่วยรักษาเมืองนครราชสีมาโดยเร็วแล้วมีพระราโองการดำรัสสั่งเจ้าพระยาอภัยภูทรที่สมุหานายกให้เกณฑ์กองทัพพลนกันลำเครื่อง 56,000 พันแล้วโปรดเจ้าให้พระยาสุรเสนากับพระยาอภัยในฤทธิ์เป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อย ยกขึ้นไปตั้งค่ายรับเาล่าอยู่ที่ตำบลบ่อโพงแขวงกรุงเก่าโปรดเกล้าให้พระเอกมหาเสนาที่สมุหพระตราหุมเป็นแม่ทัพ บ, บุก ค, คุมพลทหารพันหนึ่งยกขึ้นไปตั้งค่ายรับเาล่าอยู่ที่ตำบลพระเนียด จ, จับช้างกรุงเก่าโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอพรมมื่นเดชอดิศรเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อย ยกขึ้นไปตั้งค่ายรับเหลาอยู่ที่ตำบล น, นอกเมืองปราจีนบุรีโปรดเกล้าให้พระยาสิหราชเดชโชเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อยยกขึ้นไปตั้งค่ายรับเาล่าอยู่ที่เมืองกบินบุรีโปรดเกล้าให้พระยาพิชัยวารีเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อยยกไปตั้งค่ายรับเหลาอยู่ที่ตำบลทองทุ่งสามเสียนริมวัดสะพานสูง ค่ายปีกาตั้งโอบไปถึงค่ายส้มปล่อยโปรดกล้าให้พระยาเดโชถายนามเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อยยกไปตั้งค่ายรับเาล่าอยู่ที่ริมทุ่งวัวลําพองชักปีกาโอบไปจนถึงทุ่งบางกะปิโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสิริวงเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าร้อยยกไปตั้งค่ายรับราล่าอยู่ที่ทุ่งสนามกระบือหลังวัดพระพรหมสุริน ตั้งค่ายปีกาอบหัวสวนขึ้นไปจนถึงริมวัดช่องลมและวัดดุสิตริมคลองส้มปล่อยสามเสนโปรดเกล้าให้พระยานครอินทรามันกับพระยาเกียรติรามันขุมพลทหารรามันสามร้อยยกไปตั้งค่ายระวังต้นทางด้านตะวันออกอยู่ที่ท้องทุ่งพระขนงชักปีกาโอบลงไปถึงบางพรีบางฉลงบางงว่วโปรดเกล้าให้พระยามหาอักเนกร แม่กองทหารปืนใหญ่คุมพลทหารปืนใหญ่ห้าร้อไปทอดทุ่นขึงโซ่ปิดที่ปากน้าเมืองสมุทรปราการที่บนป้อมปีกาตามฝั่งน้าหน้าเมืองสมุทรปราการนั้นก็ให้มีทหารปืนใหญ่ขึ้นประจำรักษาครบหน้าที่ทุกป้อมพร้อมด้วยกระสุนดินดาแล้วโปรดกล่าวดำรับสั่งเจ้าพระยายมราชให้จัดแจงตกแต่งการป้องกัน ร, รักษาพระนครทั้งปวงเป็นสามารถแข็งแรงยิ่งนัก เจ้าพนักงานลากปืนใหญ่ขึ้นประจำบนป้อมทุกป้อมรอบพระนครและประตูช่องกูด ร, รอบกำแพงพระนครนั้นมีไม้สูงปักขัดขวางปิดบานประตูไว้ทุกประตูรอบพระนครแต่ประตูใหญ่ตามกำแพงพระนครนั้นมีไม้สูงขันช่อกว้างขึ้นแขวนไว้บนซุ้มประตูประตูละสามต้นสี่ต้นสาหรับจะได้ตัดให้พลัดตกลงมาถูกฆ่าศึกเมื่อเข้ามาล้อมใกล้ทาลายประตูนั้น และประตูคลองน้ําที่ใต้สะพานช้างริมกําแพงพระนครก็มีไม้ซุงปักเป็นเขื่อนปิดไว้ทุกๆปากคลองที่กลางเขื่อนนั้นเปิดเป็นช่องเล็กๆไว้แต่พอให้เรือเล็กน้อยแกวผ่านเข้าออกได้บ้างเมื่อเวลาข่าศึกยังไม่มาติดล้อมถึงพระนคโรโปรดกล่าวให้พระเจ้าพหุเทพจัดแจงตระเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางหลวงจ่ายให้กองทัพให้พอราชการ และให้เจ้าพนักงานกรมนาขนข้าวเปลือกในฉางหลวงหน้าวัดมหาธาตุนอกกำแพงพระนครเข้าไปไว้ที่ฉางหลวงเชิงสะพานข้างโรงสีให้สิ้นทุกฉางจะได้จับจ่ายใช้ราชการเมื่อศึกมาติดประชิดฐานกำแพงพระนครแล้วโปรดกล้าวให้กรมพระสุรัวดีเกณฑ์เลขสมกำลังในพระราชวงศ์สานุวง์ และฆ่าทูนละองทุลีพบาททั้งหลายมารวบรวมให้เป็นหมวดเป็นกองให้มีนายกองนายหมวดควบคุมขึ้นประจำสองรักษาหน้าที่เชิงเทินบนกำแพงพระนครทุกด้านรอบพระนครมีเครื่องสภาวุฒิประจำครบมือทุกคนเวลากลางคืนมีกองตรวจตราตรวจตลอดลุ่งรอบพระนครจัดแจงการป้องกันรักษาพระนครโดยสามารถราะข่าวศึกรีบรัดมาเร็ว แล้วโปรดกล่าวให้พระยาอักมหาเสนาที่สมุหะพระกราหมุมีท้องตราพระขชศีให้พระยาศีสรราษกับพระสุรินทรามาศออกไปเกณฑ์กองทัพหัวเมืองปักใต้ให้ได้คนหมื่นหนึ่งในท้องตรานั้นโปรดให้เจ้าพระยานครสีธรรมราชเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิคุมทัพเรือเข้ามาช่วยราชการรงครามป้องกัน ร, รักษาพระนครโดยเร็ว แล้วมีตราพระคัชสีอีกสฉบับถึงพระยาราชบุรีพระยาเพชรบุรีพระยาสมุทรสงครามให้ขนข้าวเปลือกเข้ามาเพิ่มเติมในกรุงเทพให้ได้จัดจ่ายให้เป็นกำลังแก่กองทัพหัวเมืองปักใต้และกองทัพในกรุงรักษาพระนครด้วยแล้วโปรดกล้าวให้มีท้องตราพระราชสีถึงพระยาสุพรรณและพระยาอุทัยธานีให้เกณกองทัพ อ, ออกไปรักษาด่าน ทางข้างฝ่ายพรมแดนกันกับพมา่าให้พระยาการจนรบุรีเกณฑ์กองทัพไปรักษาด่านทางข้างแดนพมา่าอย่าให้มีเหตุเพศภัยร้ายเกิดขึ้นได้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชองการดำรัสสั่งให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นแม่ทัพหลวงถืออาญาสิทธิคุมพลทหารชกันลำเครื่องในกรุงและหัวเมืองหมื่นเศษ โปรดเกล้าให้กรมพระราชวังบวรเสด็จขึ้นไปพักที่เมืองสระบุรีก่อนเพื่อจะได้รวบรวมพลหัวเมืองฝ่ายเหนือจะมาพร้อมกันที่นั่นครั้นณวันเสาร์เดือนสี่ขึ้นห้าค่ำปีจออัฐศกได้มหาพิชัยเลิกอันอุรมฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงเครื่องสิริราชอลังการสัภาพรบวรวิภูษาทรงพระมหามาลา สำหรับขัตติยราชรณยุทธทรงราชาวุฒสับเสร็จเสด็จลงเรือพระที่นั่งวิจิตรพิมานการจะนะบรรลังพร้อมด้วยมหาเสนาณิกรนายทัพนายกองทั้งหลายฝ่ายทหารพลเรือนตามขบวนนาวาหน้าหลังสะพั่งพร้อมล้อมตามเสด็จโดยขบวนชละมักทั้งเหนตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์งทรงพระพุทธชัยพอได้พะละฤกพฤตตมาศตยาจารย์ ตัดไม้ข่มนามตามส่เวทพิชัยสงครามเจ้าพนักงานยึงประคมแตรสังผินพาคยิงปืนใหญ่ถวายพระเลิกสามลายึงเคลื่อนพลนาวาไปตามลำดับชนละมักวิถีประทับโรนแรมไปตามสามเวนก็ถึงที่ประทับพระ พ, พลาซึ่งกองหน้าแต่งตั้งไว้รับเสด็จที่ท่าเรือพระพุทธบาทแขวงเมืองสระบุรียึงเสด็จขึ้นประทับแรมพระลาราชาอาศ คอยกองทัพหัวเมืองที่ยังมาไม่ถึงพร้อมกันตามเกณฑ์รั้นนั้นพระสุริยะพักดีซึ่งไปราช ก, การสักเลขเมืองลาวกลับมาพบเจ้าอนุเจ้าอนุยอมให้ลงมานั้นพระสุริยะพักดีลงมาถึงกรุงเก่าก็พบเรือพระที่นั่งกรมราชวังบอว ร, อรสถานมงคลประทับร้อนอยู่ณที่กรุงเก่าจึงได้แวะเข้าเฝ้ากราบทูลชี้แจงการที่ตนได้มาตลอดทุกประการ แล้วก็รีบลงเรือล่องลงมากรุงเทพเข้าเฝ้าพระกรุณาในท้องพระโรงกราบบังคมทูลมูลเหตุและประพฤติเหตุที่ตนได้ไปมานั้นทุกประการแล้วได้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเมื่อลงมาถึงกรุงเก่าพบกรุ่มพระราชวังบวรที่นั่นได้กราบทูลประพฤติเหตุทุกประการแล้วรมพระราชวังบวร ได้ทรงทราบข่าวที่เจ้าอนุตั้งค่ายทางไปมาทุกอย่างทุกประการตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นมาแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัิว่าพระสุริยพักดีไปอยู่เมืองลาวช้านานเป็นคนรู้จักการ ง, งานทำนิชำนาญข้างเมืองลาวมากและรู้จักหนทางเมืองลาวด้วยควรจะเป็นแม่ทัพนายกองไปกับกรมราชวังบรวร จึงจะชอบด้วยราชการแต่ว่าเพิ่งมาถึงใหม่ๆยังกําลังเหน็ดเหนื่อยอยู่ให้พักหาเบาวไพร์ผลักเปลี่ยนผู้คนเสียใหม่แล้วจะให้เป็นแม่ทัพนายกองยกไปเข้าในกองทัพ ก, กรมพระราชวังบวรอยู่มาสองวันสามวันพระสุริยะพักดีจัดผู้คนผลัดเปลี่ยนแล้วก็ถวายกราบบังคมลาขึ้นไปสมทบเข้าในกองทัพ ก, กรมพระราชวังบวรทันที ที่ท่าเรือพระพุทธบาทเมื่อพระสุริยภักดีเข้าไปกราบถวายบังคมลานั้นได้พระราชทานประคำทองคำสายหนึ่งหมวกทรงประพาธหนึ่งเสื้อเข้มขาบหนึ่ง ร, รัดประคดหนามขนุนสีแดงสายหนึ่งกระบี่ญี่ปุ่นฝักดำด้ามคาดลวดทองเล่มหนึ่งและเงินตราสามช่างด้วยครันกองทัพหัวเมืองมาพร้อมกันแล้วที่ท่าเรือพระพุทธบาทกรมพระราชวัง จึงมีพระราชบันฑูนรับสั่งขุนนางผู้ใหญ่จัดกองทัพซึ่งจะยกไปทางสทรมักนั้นตามที่ทรงพระราชดำริไว้ให้พระยาจ่าแสนยากรหนึ่งพระยากลาหหมราชาเสนาหนึ่งพระยาณรานุกิจมตรีหนึ่งพระยานรงค์ขวิชัยหนึ่งสี่นายนี้เป็นนายทัพหน้าที่หนึ่งกรมมื่นนเรศโยธีหนึ่งกรมมื่นเสนีบริรักษ์หนึ่ง สพระองค์เป็นแม่ทัพหน้าที่สองกรมหมื่นเสนีเทพหนึ่งเป็นยกกระบาดทัพสําหรับอยู่ในทัพหลวงพระองค์เจ้าสังกัฏเป็นนายกองทัพปีกซ้ายพระองค์เจ้าสุริยะวงศเป็ น, นนายกองทัพปีกขวากรมหมื่นรามอิสเรศรเป็นยกกระบาดทัพให้ตรวจทัพทุกกองสือราชการมาเสนอแม่ทัพหลวงกรมหมื่นเทเบศบวรเป็นจเจรทัพ กรมหมื่นเทพพลพักดีเป็นกองเกือกไก่พระนเรนทรราชาบุตรเจ้าตากเป็นนายกองทัพหลังพระองค์เจ้าสว่างพระราชบุตรกรมพระราชวังบวรกับพระยากเกษตรรักษาพระยาศาสต ร, ราริศทิรงเป็นนายทัพกองหนุนคุมกระสุนดินดำด้วยกรมพระราชวังบวรทรงจัดกองทัพพร้อมเสร็จแล้วจึงกําหนดจะเสด็จพระราชดําเนินยกพระยุหามาตรราทัพหลวง และทัพทั้งปวงขึ้นไปทางดงพระยาไฟจึงมีพระราชบรรทูลรับสั่งให้เจ้าพระยามหาโยธารามันคุมกองทัพรามันพันห้าร้อยคนขึ้นไปทางดงพระยากลางให้ไปบรรจบกับทัพหลวงที่เมืองนครราชสีมาและเป็นแม่ทัพกระนาบด้วยโปรดให้พระยาอภัยภูทรที่สมหวนายกเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือคุมพลทหารหัวเมืองและกรุงเทพ รวมห้าพันยกขึ้นไปทางเมืองเพชรบูุญโปรดให้พระยาเพชรพิชัยและพระยาไกรโกษาขุมพลทหารหัวเมืองฝ่ายเหนือห้าพันเป็นกองทัพกระนาบขึ้นทางเมืองพระพิษณุโลกและทางเมืองนครไทยได้ยกทัพมาตีเจ้าราชวงศ์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหล่มสักแล้วให้ขึ้นไปเป็นทัพกระนาบช่วยเจ้าพระยาอภัยภูธรตีกองทัพเจ้าราชวงศ์ให้แตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาราชนิกูลหนึ่งพระยารามคําแหงหนึ่ง 1, พระยาราชวังเมืองพระยาจันทบุรีหนึ่งขุมกองทัพเมืองจันทบุรีเมืองระยองเมืองตราดฝนหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันออกห้าพันขึ้นไปทางเมืองพระตะบองบ้างทางเมืองสุรินบ้างเมืองสังขระบ้างเกณฑ์เขมรป่าดงไปด้วยห้าพันให้ยกไปตีทัพเจ้าราชบุตร ณเมืองนครจำปาศักด์แล้วให้เป็นทัพตระนาบของทัพฝ่ายตะวันออกคือทัพพระยาราชาสุภาวดีด้วยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทัพยกไปทางตะวันออกอีกทางหนึ่งให้ไปทางเมืองปราจีนบุรีให้เดินทัพทางช่องเรือแตกอีกสี่ทัพโปรดเกล้าให้พระยาราชาสุภาวดีเป็นนายทัพที่หนึ่งโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคังเป็นนายทัพที่สอง ให้เจ้าพระยานองยาเถอกรมหมื่นพิพิธพ่อภูเบนท h o กับพระเจ้าน้องยาเถอพระองค์เจ้ากุลชรสองพระองค์นี้เป็นนายทัพที่สามโปรดเกล้าให้กรมหมื่นสุรินทรรักษ์เป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ได้บังคับกองทัพทั้งสี่กองจะได้เป็นทัพฝ่ายตะวันออกกองหนึ่งด้วยแต่พระยาราชสุภาวดีได้ยกล่วงหน้าขึ้นไปทางบ่อพงจะได้ยกไปทางเมืองปราจีนบุรี จะได้ไปพร้อมกับทัพใหญ่ที่เมืองปัจจันตคามด้วยกันเป็นกองทัพใหญ่ฝ่ายกองทัพเจ้าพระยาพระคังและทัพกรมหมื่นพิพิธพวกขภูเบนธรทัพพระองค์เจ้ากุลชรทัพกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ทั้งสามทัพยกทัพเรือไปทางคลองสำโรงออกปากตะครองแม่น้ำแปดริ้วจะขึ้นที่ท่าเมืองปราจีนบุรีแล้วจะได้ยกไปตั้งยังทัพให้พร้อมกันที่เมืองปัจจันตาคาม จะได้จัดทัพยกไปทางบุกยกไปตามพระราชดำรัสฝ่ายเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีใบบอกเข้ามาว่าได้เกณฑ์กองทัพไว้พร้อมแล้วกําหนดจะยกทัพเรือเข้ามายังกรุงเทพตามท้องตราที่เกณฑ์ออกไปนั้นและได้ทราบข่าวว่าอังกฤษเตรียมทัพเรือไว้มากที่เมืองเกาะหมากจึงได้ใช้กรมการไปสืบข่าวทัพอังกฤษที่เกาะหมากได้ความว่าพวกอังกฤษยกทัพเรือกำปั่นรบห้าลำ มาพักอยู่ที่เกาะหมากแต่จะไปทำศึกกับประเทศใดหาแจ้งไม่ขันสอบถามแขกที่เมืองไซบุรีก็ไม่ได้ความชัดว่าอังกฤษจะไปไหนเจ้าพระยานครราชสีมาไม่ไว้ใจแก่ราชการจึงจัดคนที่เป็นล่ามอังกฤษให้ไปสืบข่าวทัพเรืออังกฤษที่เมืองสิงคโปร์อันหนึ่งกปัปตันหันตรีบารณีมีหนังสือมาหาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็นการนัดว่า จะมาเปล error, LA, ี่ยนหนังส anyway, ือส er ัญญากับไทยที่เมืองตรังในคราวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจึงไม่ได้เป็นแม่ทัพคุมกองทัพเข้ามาตามท้องตราที่โปรดกล้าออกไปนั้นพระราชอาญาเป็นลนเกล้าล้นกระหม่อมแต่เจ้าพระยานครศรีธรรมราชให้พระยานพัทลุงผู้บุตรผู้ใหญ่กับพระสนิหามนตรีบุตรรองเป็นแม่ทัพคุมพลทหารห้าพัน ร้อมด้วยเรือรบเรือไล่เข้ามากองทัพหนึ่งให้พระสุรินทรามากข้าหลวงที่เชิญท้องตราออกไปนั้นกำกับทับมาถ้าราชการข้างเมืองตรังและกอหมากเบาบางลงบ้างเจ้าพระยานครศรีธรรมราชจะยกเข้ามาต่อภายหลังครั้งนั้นโปรดกล่าวให้มีท้องตราหาทัพเจ้าพระยาพระครังหนึ่งทัพกรมหมื่นพิพิธโวกขภูเบนทนหนึ่งทัพกรมหมื่นสุริทรร น, ทมมนทรรักษ์หนึ่งทั้งสามทัพ ให้กลับลงมารักษาปากน้ำเจ้าพระยาสมุทรปราการแต่ทัพพระยาราชาสุภาวดีนั้นโปรดเก้าให้ไปสมทบทัพหลวงกรมพระราชวังบวรฝ่ายนายชัยพักดีกับนายแก้วพักดีนายเวรพระตำรวจหน้าทั้งสองนายซึ่งเชิญท้องตราที่โปรดให้ไปเรียกทัพกลับมานั้นได้ไปทันกองทัพพระเจ้าน้องอยาเธอกรมหมื่นพิพิธพวกภกภูเบญทรหนึ่งกับกองทัพกรมหมื่นสุรินทรรักษ์หนึ่ง ทั้งสองทัพที่ทุ่งผู่ยังได้กลับลงมาตามรับสั่งนั้นแล้วแต่กองทัพเจ้าพระยาพระคลังนั้นได้ยกเลยขึ้นไปถึงเมืองนครราชสีมาเสียก่อนหน้าตำรวจที่ขึ้นไปตามนั้นแล้วแต่นายชัยพักดีนายแก้วพักดีนายเวนตำรวจนั้นได้เชิญท้องตราขึ้นไปสกัดทางลงพระยาไฟก็หาทันทัพเจ้าพระยาพระคังไม่ฝ่ายนายฤทธ์นายโรงนายเวนกรมพระตำรวจหน้า ที่เชิญท้องตราขึ้นไปอีกพวกหนึ่งได้ไปทางห้วยตะคองถึงเมืองจันทึกใกล้เมืองนครราชสีมาก่อนพวกนายชัยพักดีนายฤทธ์นายรง์ได้เชิญท้องตราที่ให้หากองทัพกลับนั้นให้แก่เจ้าพระยาพระครังและพระยาราชเสวสุภาวดีได้ทราบท้องตรานั้นแล้วจึงมอบสเสบียงอาหารให้พระยารา ช, ชาสุภาวดีตามสมควรที่ใครชอบพอกันนั้นแล้วก็ตเตรียมการจะยกลงมากรุงเทพตามรับสั่งให้หา รุจุลศักราช 1,189 ปีกุนนพศกเป็นปีที่สี่ในราช ก, การแผ่นดินที่สามเมื่อเดือนห้าข้างแรมนั้นกรมพระราชวังบวรยังเสด็จประทับอยู่ที่พระปราาท่าเรือพระพุทธบาทจึงมีพระราชบรรทูนดำรัสสั่งให้เจ้าพนักงานจัดกระบวนรพยุหมาต ร, ราโยธาทัพโดยสนลมักพร้อมด้วยคนช้างคนมา้าคนเดินเท้า เพ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทับหลวงขึ้นไปเมืองนครราชสีมาโดยทางดงพระยาไฟครั้นนั้นโปรดกล้าวให้พระยาสุเรนทรราชเสนาเป็นนายทัพกขุมพลทหารสอง้อให้ยกล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเพื่อจะได้ตรวจหนทางในกลางดงพระยาไฟที่ลุ่มดอนให้ทําให้ดีที่ทับหลวงจะเสด็จขึ้นไปนั้นแล้วโปรดกล้าวให้พระยาเสนาภูเบศหนึ่งพระบริรักษ์ราชาหนึ่ง พระยารามหนึ่งพระยาเกียรติหนึ่งสี่นายนี้คุมผลฐานไทย300ร้อคนผลรามันห้าร้อยคนรวมแ0 0รอคนยกไปเป็นกองเสือป่าแมวเสารและเป็นกองทัพแสงด้วยให้ยกเดินไปทางเมืองเพชรบูร์โดยเรีงเร่งเดินไปให้ถึงเมืองนครราชสีมาก่อนทัพหลวงถ้าเห็นในเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยปกติแล้วจึ่งให้พระยารามพระยาเกียรติคุมกองรามันห้าร้อย ไปตั้งค่ายขัดด่านทางข้างเมืองพิมายนางรองจะได้ระวังรักษาต้นทางที่เราจะมาทางเมืองหนองคายให้พระยาเสนาภูเบศเป็นผู้กํากับทัพรามันแต่พระยาบริรักษ์ราชาให้คุมพลทหารไทยสามร้อยยกไปเป็นกองราตรเวนในป่าดงอย่าให้เรามาสืบทัพไทยได้ให้พระชาติสุเรนทร์เป็นกองม้าเร็วอยู่ในกองพระยาบริรักษ์ราชาแล้วโปรดกล่าว ให้หลวงวิเศษศักดาวุฒิกับหลวงยอดอาวุธเจ้ากรมกองแก้วจินดาขมพลทหารกองแก้วจินดาห้าร้อยยกลวงหน้าไปก่อนไปตั้งรับเสด็จอยู่ที่เขื่อนลั่นทันยาวในกลางลงพญาไฟเพราะที่นั่นเป็นช่องแคบและทางเดินบนเนินภูเขาสูงนักครันน้นณเดือนห้าแรมสิบค่ำกรมพระราชวังบวรทรงเครื่องสิริราช ปิลันธนาลังการาภรณ์บวรวิภูษาทรงพระมหามาลาสีแดงยอดปริกทองคําประดับเพชรและนักเสเวตโลมาสกุลปักษาชาติอันประเรสริฐสําหรับขติยาโรนยศทรงราชาวุฒิสเสร็จเสด็จพระราชดําเนินขึ้นประทับอยู่บนเกยคอยเพระเลิกครั้นเวลาย่ํารุ่งแล้วกับแปบาททรงทอดพระเนตรเห็นมหาเมฆตั้งขึ้นมาแต่ทิศบูรพาแล้วกลับเกลื่อนเลื่อนลอยกระจิกกระใจาหายสูญไปในทิศอุดร พระสุริยะจัดแจมโอกาสขึ้นมาจากขอฟ้าเป็นไรๆเห็นดวงพระอาทิตย์ขึ้นผ่องใสในนภากรเป็นสุพนิมิตมหามงคลพิชัยเลิกจึงมีพระราชบันทูนดำรัสสั่งให้ลั่นคล้องชัยถวายพระเลิกตามสุพรณิมิตพิชัยสงครามเจ้าพนักงานจึงประโคมแตรสังทินภาพขึ้นพร้อมกันกองแก้วจินดาได้ยิงปืนจารงค่ําทองชื่อว่าปราบเวียงจันทร์บอกหนึ่งสามนัดเป็นสัญญา ฝ่ายกระบวนปรกองทัพพลมมาทวนธนูก็เดินเป็นลำดับไปก่อนตามสถรมักแล้วถึงกระบวนรอัทเสน า, นางคัพเทริยะพาหะผลพยุหะแสนยากรบวรจัตุรงคขัวยหารแห่นำตามเสด็จในงานพระราชสงครามฝ่ายกรมพระราชวังบวรทรงช้างพระที่นั่งพังโกสมสูงหกศอกคืบสี่นิ้วผูเครื่องมั่นกระโจมทองสีหน้าหลังคาสีหักทองขวางแต่งเป็นพระคชทาน พระศรีพวังเป็นหมอหลวงอินทร์ขเชลักษ์เป็นควานช้างพร้อมด้วยเสยนาค้าจตุรงคบาต ท, ทั้งเสนีสี่เท้าช้างและช้างพระที่นั่งรองนั้นชื่อพังเทพเกรินีผูกเครื่องมั่นตั้งวัวช่อขวาหลังคาทองมีเครื่องสูงราโชประโภคพร้อมไพโรธอุคด้วยสัพพดนตรีปีกลองชนะกึกก้องทั้งของชัยของกระแตแซ่เสียงสนันน่นนลนาน บัรเลือสนันด้วยสพัพพะแรงงอนแรงฝรั่งเสียงเท้าพลช้างพลมา้าพลเดินเท้าคราวนั้นประดุดดังสายพระพฤหัสเวลาหกตกในวสันตฤรดูดำเนินกองทัพพลช้างดั้งกั้นแทรกแสงคำค่ายวางพังค้ามหาพายุหาญาตราขชะสงครามพร้อมสสเสร็จเสด็จพระราชดำเนินยกพยุหแสนยากรประทับรอนแรงไปตามสทรมักดงพญาไฝ่แปดวัน ก็บรลุถึงเมืองนครราชสีมาจึงเสด็จขึ้นประทับแรมบนรบพระภาชัยในค่ายหลวงซึ่งกองหน้าแต่งไว้รับเสด็จนอกกำแพงเมืองนครราชสีมาพร้อมเสร็จแล้วครั้งนั้นพระยาเกียรติพระยารามลงมาเฝ้ากราบถวายบังคมทูลว่าซึ่งโปรดกล้าให้ไปตั้งค่ายรักษาด่านทางอยู่ทางเมืองพิบายนั้นขัดสนด้วยน้ําที่กองทัพจะได้อาศัยรับพระราชทานไม่พอกับไร่คน จะขอพระราชทานแบ่งกองทัพไปตั้งอยู่ที่ลำห้วยน้ําเชี่ยวเพื่อจะได้อาศัยใกล้น้ําและจะได้รักษาลำทารที่ตําบลห น, นังด้วยกรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญทูปโปรดอนุญาตให้พระยาเกียรติพระยารามแบ่งกองทัพรามันสามร้อยกไปตั้งชุมนุมอยู่ที่ตําบลห้วยน้ําเชี่ยวตามที่กราบทูลขอแต่พระยาเสนาภูเบศนั้นโปรดให้คุมกองรามันสองร้อย อยู่รักษาทางเมืองพิมายอย่างเดิมแล้วโปรดให้หลวงพักดีโยธานายกองสวยรงคุมพลลาวเมืองนางรอง200คนเป็นกองลำเลียงน้ำมาส่งให้ในกองพระยาเสนาภูเบกและจะได้ระวังทางเมืองนางรองอีกชั้นหนึ่งด้วยที่ข้าสึกจะมาเมื่อกรมพระราชวัง บ, บวรประทับอยู่ที่ค่้ายเมืองนครราชสีมานั้นเจ้าพระยาพระรังก็เดินทัพขึ้นไปภายหลังกองทับหลวงเจ้าพระยาพระรัง เข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรกราบทูลข้อราชการเสร็จสิ้นทุกประการแล้วแต่ยังเฝ้าอยู่ในค่ายก็พอจะเหมือนสมุหะพิมานเฉินท้องตราพระราชสีอีกฉบับหนึ่งขึ้นไปถึงเมืองนครราชสีมาส่งให้เจ้าพระยาพระคังในค่ายเจ้าพระยาพระคังได้ทราบในท้องตราสองฉบับที่โปรดเกล่าวให้กองทัพเจ้าพระยาพระคังกลับลงไปกรุงเทพ จะได้คิดราชการป้องกันรักษาป้องค่ายเมืองสมุทรปราการเพราะได้ทราบข่าวมาแต่เจ้าพระยานครศรีธรรมราชว่าเรือกำปั่นรบอังกฤษจะเข้ามาในกรุงเทพเหตุใดยังไม่ทราบเป็นแน่แท้และข่าวเล่าลือกันว่าทัพเรือเมืองยวนก็จะเข้ามาด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่ไว้พระราชหรัยแก่ราชการที่เมืองสมุทรปราการแก่ผู้ใด จึงโปรดให้หาเจ้าพระยาพระคังกลับลงไปจัด ก, การรักษาปากน้ําเจ้าพระยาตามหน้าที่กรมท่าให้เรียบร้ อ, อยฝ่ายเจ้าพระยาพระคังทราบท้องตราดังนั้นแล้วจึงกราบถวายบังคมลากรมพระราชวังบวรกลับลงมาทางดงพระยาไปถึงกรุงเทพเมื่อเดือนหขึ้นสิอาางค่าอารามสยามยุ ตอนที่สามกรุงเทพเคลื่อนทัพ ก, กำลังดำเนินเ ร, เรื่องเข้มงวดมาทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป